เทควาโตอะโรฮาโตสมัยสมุทตะตระหรัสนะโตภะคะญะเสรสักจังวัรุตระตัณจะเศรษฐีสาวนิโอเวจังวัตระสานิอาติคันตานิปัจจุปนการอยเนาปุติสายินมวายเศระ่าไง จินิมังจินนางวาดวายเกณฑวันนาลิวารโหติเอวังสัจจะกัคขวะตัวปรินิพานนายซาชนนายุกขาละพนันนายสันติสัพพานอิสุปนัมมัจจุราชชนนายุกขาจำเดิมแต่วันปรินิพาน แห่งองค์สมเด็จพระบิดตัมมานนราหังเสชมาสมุูธเจ้านั้นบัดนี้ลงเล่าดยสองพันห้าร้อยยี่สิบสามพันายรอับปัจจุบันในสมัยพุศิกายนนี้เสร็จทนดี3าวันอาทิตย์วันนี้้นปัจจุบันนวาน เราทุกข right. ์นมาอยู่การิแตวันพระพุทธทานห่งองค์สมเจพระพุทธเจ้นั้นมีในยะอันพุทธมรรสเจือพึงกำหนดนัได้ด้วยเอิ้นาระชนีนโมทัสสะพุทโตอรหัตสัมมาสัมพุทธชินนโม สตว์ก <c oughs> an ุวรรรห์ตว์สัมมาสัมพุทเจานักมุตสัจสตว์โุรรคตสัมมาสัมพุทธ้าสจะสัมรรคตุมนันตังหิภิิันินาอสัตบีอาตมราสิสันดังไร้สัทธามาทิสน ในมรณาลุสติตตาช้าเสวย เ, เครื่องสดสงองขละศราบารมีคื่บรรดาชนิชราทานะบรญดีทั้งหลายดูร้อนใจกันมาบำเพ็ญบุญสงรนจมปัดคื่วันพระรามแตกขั้นเดียนอีสองวันนี้ ทางนี้เราว่าบรรดาเป็นพุบริษัทต่าหลายได้มีความเรื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมเกร้าจาชายพหลมัยศาสตันด้้ามาช่วยเก้ปัหาเรียกพากันปฏิบัติตามความดีตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมโลเกเสด็จว่าและและวที่บรรดาเป็นพุทธบริษัทกามาในใจของพระพุทธเจาสนา ปัตยังใจบูชาพระเทตรายสีพระพุทธ่จ้าตระหนัธรรมระตระักแลสังกัดตระหัดัสามเหมือนกันโดยดอกไม้ผูกเพียงเชื่อศึกาวรามีต่างๆอันนี้แสดงว่าบรรดาต้พุทธบริษัทแห่งหลายมีความเอื่มใสในคำสั่งสอนพระองค์สำหร็จพจจอมไตรบริสัทธาสัดาปเป็นมันดี ตอนต่อมาบรรดาเจ้าผู้บริษัททั้งหลายนี้ตั้งใจสมาทานศีลแล้วก็ตั้งใจจะไหว้ทานเป็นสังฆทานแด่อริสงในพระพุธทธศานสนาในข่้นสุดท้ายก็ตั้งใจสัญญาตรัสพุทธพุทธเจ้าชนอเป็นคำจากสององค์สำเรัจเป็นสัมมาสัมพุทธจ้ยาเภสัชโดยอริสงทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นมห า, ห า, หาอริสง จะจ่าพนาองคนสงห้จบขึ้นภายในสามเดือนย่อมไม่จบกรมความว่าพนาทางพุทธบริษัททั้งหลายในฟาริบัติในมุนิกิยาวัตถุในสามเดือนสามในองค์สงฆ์จะเผยความใจบริษุทธิ์ปัญญาสมณะงนได้ช่วยช่วยเมื่อคืนหนึ่งทานน้ำใม่บนสมเด็จปุการบริจาคการท่านทำแล้วสองถึงน้หม่บนหมด็จปุตานอาสัยงท่าทำแล้วสามภาวนาใหม่ การทำจิตใจผ่องสแจ่มเย็นคือการสำับรับพระพุทธเทศนงท่านทำแล้วต่อมาแล้วการเคารพใจใสในองค์สมเด็จพระบพิตรเจ้าในประการดัชอาลสงยมีเระญายเป็นพระบริสัทธ์เความว่ตตาการทำในวันนี้เขาบรรดาเปานพระเจ้าบริสัทธงเรียกให้การทาความดี เพราะการทำวามดีทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นการขจัดเรื่องคนให้้นจากความทุกข์ความในองค์สมเด็จพระสัมมาชโยเจ้าต้องารความต้องการในองค์สมเด็จพระพุทธสัมมาเริ่มในสายชงดาตั้งใจบรรพชวบารมีมาที่เสี่อสองไขกับสองขัดหวังบรรลุอริยสัมมาชโยพระเจ้าต้องการจะช่วยรู้สัดค้นสให้้นจากความทุกข์ คพ้นจากความเวียนว่ายเกิดเพระว่าต่อการสอนมีพระนิพพานเป็นที่ไปไม่ต้ร้ ง, งใจและนมิจฉบรรดาเระ่พุทบริษัทเป็หลายส้างคามดีความที่ก่ามาเวลานี้บรรดาเร่งพุทบษัทเหลายคนหน้าก็ทำแล้วตอนนี้ใรจะนำมาเจริญาพราะองค์สมเด็จเข้าไที่เกิดในสมัยที่เกิดสวยประชาเป็นกระ เ, ะเตลีมากล่าวโดยอโดยอดคอยดูส คือตามธรรมบาลีกล่าวในเรื่องสัวนว่าสัตย์เตสัตย์ยมรรคสติมรันตังหิชีตังอาจเะถือใจความตามไปทราบใครชัดๆจะถืว่าบุคคลเราเกิดมาเท่าไรตายหมดฉะนั้นแต่ในบาลีนั้นแปว่าสัตว์เกิดเท่าไรตายหมดแคนั้นเขาไม่สัตวหมายถึคนคนใดแต่ไมายถึงสัจจัยสามด้วยแปลว่าสิ่งที่มีชีวิตเกิดมาแล้วก็เกิดเพื่อความตาย การตายด้วยมันดาจักรพุทธบริษัททั้งหลายไม่ได้หมายความว่าสิ้นข้าสิ้นภบตายแล้วสูญไม่เป็นอย่างนั้นตายตายแล้วมันยังไม่สู ญ, ส, ส, ญ, พอพอ ส, ญสิ่งที่สูญไปไม่เฉพาะก็คือสิ่งทันห้าดิดบยากกระสุนแล้วกาลังใจของมันดาจัากนพุทธบริษัททคนทั้งหลายในโลกแทั้งหลายในโลกจะดีไม่ได้สิ้นสูญไปด้วยถ้าเราสร้างความดีความดีสนับสนุในใจ ความดีจะบรรดาห์ว่าด้เกิดในพวที่มีความดีเปนความดีขั้นต่ำที่เรียกว่ามนุษยธรรมก็จะบรรดาห์นี้จะไปเกิดเป็นมนุษย์ด้วจิตใจของบรรดาห์จะพุทธบริสัทธมีคอธรรมือหิริโตัก็จะไ้เกิดเป็นผัวดาก็กํากลังใจของบรรดาห์พุบริสัทธงหลายโดยทุ่นนาบมีความประมาขึ้นไปตาม เวลาจะตาจิตใจต้องอยู่ในฌานเป็นปกติอย่างนี้ก็ไเเปเฉยๆครับผมถ้าจิตใจของบุคคลใดไม่ยิยมในมนุษย์เป็นโลกคือทวโลกหรืออมนุโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สนใจกับขันห้าหอว่าขันห้าเป็นปัจจัยของความทุกข์เรามีขันห้าเพียงใดเราจะมีความสุขเพียงดเราไม่ต้องการขันห้าอย่างนี้ก็ออน ก็คด้กำลังใจของบุคคลคนใดมีความเรอความตันงตา ม, มีความวุ่นวายนจิตคิดนั้นได้ก็อกุทลอย่างนี้องค์สมเด็จพระเทพคัตนกล่าวว่าตายจากความเป็นมนุษก็ไปสู่อายยาันดภูมิเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปิดบ้างแต่สุรกายว่างเป็นสตรีในชั้นบ้าง้ายเสด็กรรมยังมีอยู่องค์สมเด็จพระเลวมคูกล่าวว่าเขาผู้นั้นเกิดมาเป็นคนก็ยังมีความทุกข์ ถ้ามีโทษกายนาติบาทมากก็จะกลายเป็นคนอายุสั้นสั้นลายไม่โรคภัยไข้เจ็บเด็ดเดียนถ้าเซลล์พึ่งการที่จะพินาทางจิตใจตรงมาทรัพึ่สมบบนีีอยู่ก็ต้องสะไหลไปที่น่าไปด้วยอนาคไปไม่บ้างลมพัดให้ทางบ้างน้ำพรมบ้างฝนโดนรักโสมบวดบ้างพอเจอกันในด้านการือสุนทราจรมีอยู่องค์สมเด็จรตมโนคาว่าในบ้านนั้นมีแต่คนดี ถ้าคนมีเหตุือผลได้ยากมีกตมแต่ความกุ้งใจใครโสดทำมือสาวบยจะมีอยู่หลรรายใครรักรักว่ากดคคลนั้นไม่จะพูดจริงก็มีใครก็อยากจะเชื่อใจใครโสดอกุศลกรรมมาจากสุราเรเมไ ร, รบุคคลระเภทนั้นจะเปร่วงเส้นในกาเ็นโรคบาปที่รวมความว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะมีมาสําหรับเราพรเพาว่เราทําไว้มันเป็นเศษของตน ยังมีบุคคลหลายท่านมาบนอย่างนั้นบนอย่างนี้แต่วามจริงไม่รู้จักตัวเองไม่พยายามสึกผลความรู้ดีองค์สมเด็จพระพุทธโสดนบรมัยสายสันดาัมมาสัมปติเจ้าทรงสอนไว้ในด้านวิชาสามคนดีอภินยาหกคนดีนาเรชขายานคนดีอันนี้พระองค์พรองค์สมเด็จพระเจ้าอยูสอนไว้เหื่อการพบคนชีวิตชั้ตนเอง เมื่อเราทำความดีเราทำความชั่วอะไรไว้ยังจังงงถา้าตรรมตายยายนเจ้าถ้ากรรมตายยานเลาสมเร็จพระทิกมันให้ทรงรู้แมนําไว้เพื่อให้เรารู้ไอ้กรรมที่มีความชั่ ว, วและความดีความกุ้มใจความสมบายใจมีทัดมากหรือทัดน้อยมีความต่อเป น, นาสงหวังไม่สมหังมันเป็นเพราะอะไรลระทําอะไรไว้ที่ไหนเมื่อไรมันจะในมสมนองใจไร อย่างนี้พระไม่ได้แจ้งก็ทรสงสอนไว้แต่ไม่ได้ทำกนไว้ <c oughs> แต่ามันนั่งบนพ่ามันลำบากอย่างนั้นไม่สมบายอย่างนี้โทษนอนโทษนี่ใจตัวเองน้อยยกแต่โทษห้เรื่องการหนื่อยกำลังใจท่าเราจะดีหรือเราไม่ดีอย่างนี้องค์สมเด็จพ ร, ระเนศิษ์สอนไว้ในเจ้าโทหลายอย่าง เจอตัวรียญาณไม่อนลมใจเป็นทิศสามารจะรู้จิตคนอื่นรู้จิตแค่คนอื่นได้ว่าจิตของราฟองใสว่าจิตของเรามันเลยจิตก็บ้านฟองใสฟองัยว่าจิตของเ่านมันเร็วจะรู้จิตเขาจะบ้านเรรู้ใจของตัวก่อนชำระจิตทังคนให้สะาก่อนหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจวรก็ทรงสั่งสอนในด้านจกติวสอนนปฏิยารู้จักการเลือกภาถอยหลังไม่จะเลืภาพ นี่เราก็ยังรู้ได้ว่าความรู้ที่องค์สมเด็จพระบรมหลกงพ่น้าสอนไว้ไม่มีครบแต่ว่าพวกเราที่ไม่ทํากันหรือไม่รู้ก็เพราะว่าให้ไหวาจาแค่เคารพต่อองสมเด็จพระบรมหลวแต่ใจจริงไม่ได้ทำจริงเมือนกคนที่มีอทางขยันขยันก็ตายมือไม่ทำก็ไม่มีอะไรผลผล พักว่าบรรดาเจ้นพระเตยสายคนนี้จะนมีความสนใัยความรู้ที่ให้ไปแล้วการให้ความรู้แบบนี้ก็เสียเปนการให้อย่างแบบพรทองที่สดที่ไ ม, ม่มีมารีการก่อนที่กอกสอนกันแบบนี้ถ้าทุกคนเป็นคนดีก็คือว่าเป็นของไม่ยากการทิ่กาว ม, มาเปการที่สู่ตนเองว่าการเกิดจะมาเกิดมาแล้วดี่ครั้เกิดแต อ, อะไรมาบ้าง เกิดดีอะไรทําให้ดีเกิดชั่วอะไรทำให้ใหมีชั่วตอนนี้ไปที่นําเรียนราพระองค์สมเด็เจเจ้ากรมไปบรมราชบรรดาจะหมายมนเน้นสวยด้วชาติเป็นพรเตยมีไม่ quiere. มัาล่อสู่กันฟัสักสิบนาทีเป็นรู้ว่าในชาตินี้องค์สมเด็จพระจินสีบรมราชบรรดาเกิดมาเป็นลูกไปสักแล้วก็เป็นคนที่น่ารักมีความสฉลาดมากเวลานั้นอายุยังไม่น้อย จะเห็นว่ามีคนรู้ใคสายชาวบ้านพูดได้เดินได้รู้อะไรได้ทุกอย่างวันหนึ่งทรงประทับอยู่บนบนทระเกล้าคือบนตักคำว่าพาระเกล้าในแปลว่าตักบนตักของพระราชาิพนธ์นั้นวลากรายกฎพระก็นำ น, นักโทษมาให้พระราชนิพนธ์ได้พิจารณโทษ พระราชนีดดาเขาเป็นเจ้านโทษแล้วว่าการ ม, มีความผิดอย่างนี้ต้องมีโทษระหายชีวิตกร้อมยุลทรงเรียกการิมีรัชกรารใริหารชีวิตตามกฎหมายแต่ความจริงการสัดราหารชีวิตของพระ อ, องค์โปรดเพราะว่ากฎหมายเขาเขียนว่าอย่างไัก็ต้องเป็นแบบไา ร, ร น, านั้นเมื่อรงชการให้อะมัด นำนักโทษจะไปหาชีวิตตอนนี้องค์สมเด็จพระธรรมสานิชย์ซึ่งเป็นพระราชเารถหรือว่าเป็นลูกชายนั่งอยู่บนตักของพ่อได้ยินเสียงอำหมายสุตราภูนโทษให้จ่าแล้ก็พระราชาดายก็มีฤาษีขอรับจังจาดให้ฆ่านักโทษตกต้องกามไะตามตามกันเมื่ค่าเข้ามาก็เป็นฆ่าตอนให้ตามกันตายตามกันใจ ฉันจะเจริญจิใจโไม่ดสินดาอาศัยที่บรรเทาบารมีมาเช้นเกนเอาน้องฉนระทังจมีบารมีเข้าเป็นบรมีธรบารมีความจรงกำลังบารมีรรมบารมีสมัคพระพุทธเจ้าบารมีที่มีความสงสงมากย่อมสามารถทรงอิญญาหด้ตาอัญญามไม่ไี้ไาอเทานว่ญาณไม่มี ทรงอภินิญญารห้าได้เตือที่ตอนนั้นปรากฏเรายังเป็นเด็กอยู่องค์สมเด็จพระบรมโกศทรงละลึกภาพได้ว่ายังเป็นเด็กในของเก่าตามมาละลึกภาพได้เวลาที่พระราชาสั่งประหารชีวิตจิตขอ ง, รงเรานั้นภาพเดิมว่าในเก่าก่อนเรานั้นเป็นไดสัตว์แบบนี้ แล้วก็มีการตัดิ้นอาหารชีวิตแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นไปตามกฎหมายแต่หลังจากนั้นแล้วเมื่อตายไปแล้วองค์สมเด็จพระจอมใจต้องไปไม่อ ย, ยู่ในเวทีหนานรกซึ่งตอนนอนแล้วมาค้นจานานรกมาแล้วองค์สมเด็จพระวิ่งมารอาศัยคามดีที่ทาไว้ในตอนต้นที่คนเราได้เกิดมาคาอบหนึ่งมันทาให้ความดีและความทั่ว ไอ้ควัเชื่อเลยตอนนั้นเวลายตายใจมันจับอยู่ที่สารตัวกบพาตัวให้เขาพระองค์ลงประจตเอเวทีม า, าใงมเราใช้การตัดสิ้นใจลงโทษบุคคลให้ตายแบบดียวกันันเมื่อพ้นจากดังแล้วก็มาเกิดเป็นคนร่ำน่ความดีมาเป็นรูปปรักษ์องค์สมเด็จยอดทรงสวัสดีโทษท่าจ้าว่าคนที่จะเป็นประักษ์ได้ร่ใช้สมมาจอย่างอ่อน คนี้จะเป็นเทวดาธรรมทวดาหรืหมายถึงเทวดาตระกูลก็เอาศัยธรรมะจังอย่างกลางคนนี้จะไปนิพพานได้ก็เ อ, อาคำว่าเอาศายธรรมะจังอย่างสูงสุดที่อย่างสุดคนเพรนั้นอาศัยที่อาสมเด็จพระทธเจ้เป็นตัวสัก็มีพรรมะจัองอย่างอ่อนคือมีศีลไม่สุข ม, มีทานวรณีครบถ้วนมีปัญญ า, ยายด้วยแม้คนแจกความเป็นเนนรื่องปฏิรูปแล้วด้ช่วยเกิดมาเป็นเรื่องปฏิร เนี่ยผลเด็ดโดยสมบัติที่เห็นภาพเดน ว, ว่าโดยการก่อนเราเป็นในสัตว์อย่างนี้ตัดชิ้นอาหารคนแบบนี้อย่างพระราชาทำเราต้องได้ตกเอเวจีมาหาลบทุนการนานกว่าจะผ่านขึ้นมันได้ก็ยากแสนยากแต เ, เวลานี้เรามานจะรู้การขับเคลื่อนด้วยความดีในสมัยสมัย น, นั่งขึ้นเดียวกัน คนจากความทั่วมารับผลของคาดีของเล่าปุรยนียิ่งคิดว่าสัเทสัตามลสนติรันตังสีิตังคนเลยสัพพนโลกเกิดมาเท่าไรมันตายหมดเท่านั้นได้ตายทำไมไม่ดีสนเวลานี้เราเป็นลูกไอศัตต่อไปเมื่อพ่อตายแล้ว่อสละล่ายในสมบทเราก็ต้องเป็นอศัตรี ถ้าเราไม่ได้สัตว์นประวัติศาสตร์มันก็จะต้องซ้ํารอยถ้า ก, ก่อนเราเคยทั่งบริหารชีวิตคนชนบุรีชาตินี้ก็ต้องสั่งบริหารชีวิตคนชนนั้นอีก <c oughs> ถ้าเราสังบริหารชีวิตคนเมื่อไรเนี่ยก็ตายไปแล้วกรรมเก่ามันก็จะเท่ามาถึงแล้วประวัติศาสตร์เก่านั่นคือจาดเป็นจักรวรรดิ์เดยยังไม่อทรงจัิขนใจว่าถ้าเร า, า ท, ทําคนเป็นคนดีต่อไปความยุติธรรมก็ต้องมีกับเรา ดังนั้นเวลานั้นแม้จะเป็นเด็กองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดว่าซึ่งที่่าความเป็นสัตว์จะต้องไม่มีสมรภัยต่อไปเพราะใครทำใดวที่เี่ยวความนาจิมบาตอาชิมนาตาเมตุนาจารมุสาวาจันตุรามไรจะต้องไม่มีสมรดัยเราจะต้องทําใจทุกคนให้เป็นใจให้หมดคลที่ดีคือไม่ปละกฐานถึงห้าจงให้ถึห้าคนอยู่ หลังจากการตัดสินใจแบบนั้นแล้วอง ส, เสเมเด็จพระบรมโรสองค์เดิมที่เดียวเป็นคนดีใ้สุดได้่อเลยกร้ไรทำตนเป็นคนบ้าเสียเพราะก็เลยเวลานั้นจะเดินมาใครจะพูดใคยะว่ายังไงก็ตามได้ยินทำมันไม่ไม่ได้ยินพูดได้แต่ตอนนี้พูดไม่ได้หลายหลายวันข้าวว่าไดินได้ก็หนักใจคิดว่าลูกชายขาขเขาจะมีชีวิตเท่าไ กองฟอยก็ดีลานีาน้กลายเป็นคนไหว้มาเป็นคนไหว้แล้วก็เป็นกษัตริย์ในแด้ก็พยายามทุกทางหาการทรมานทุกอย่างตามคําสั่งของบรรดาทนายจามต่างๆให้ขอรับไปแม้จะให้ไปตีหรือว่าเอาไปวนเป็นกองไฟให้ด้อนบ้างทรมานอย่างน้นเทรมานอย่างนี้สูดถ้าไม่ยอมพูดที่ไม่ยอมพูดก็ควรจะเป็นกษัตริย์ เกรไม่ต้องสงสั่งบ่งหาชีวิตคนเกรงว่ต้องสั่งจองกจำชีวิตคนเกรงที่จะต้องรบกบันดาลท่าสิ่งต่างที่ท่าสิ่งท่าสิ่งกันทุกสงทุอย่างนี้ที่เราผ่านมันแล้วมันนำทางไปมนในโลกมันเดือดร้อนเห็นมันตลอดเวลาในรบรรดาุกผู้ต่บริษัทหลายโดยท่านนายวิชาความรู้ที่มีอยู่แล้วพยายามปฏิบัติใครบถ้วนจะได้ทำตัวให้พ้นจากใบภูมีวิญญาณบที่ หลังจากนั้นเขาถูกทราเอาเขาโศกประมามาตั้งจแต่เด็กซื้อการเป็นหนุ่มหนุ่มอายุเกือบยี่สิบปีเพราะนั้นว่าเขาต้องการในองค์ฉันเด็กซืมาซืพูดเช่นกันไม่พูดต่อได้ไปทายังไงเขาก็มาเป็นสายกันโหราการทังหลายเมื่อเวลาพระอาจารย์อาให้ายชายสั่งกำมาก็บอกว่าเ้ามากเป็นกเติมีนเดิมเป็นคนดีแต่เวลานี้เป็นตายจะมีซแล้ว ให้นำไปสังเสียทั้งตัวคือตอนยกสังนี่ก็ตั้งใจจะสังจริงๆว่าตั้งใจจะบอกว่าจะสังให้พูดอันนี้การลีไม่ได้เกี่ยไว้แต่นมาเนว่าพระาอาจารย์บนดาพระาอาจารย์บนดายก็มีความรักลูกแต่เขาบอกว่ า, าเป็นตาอะเป็นมือนี่จะจเป็นจะต้องทำตอนนี้เราจะไปส่ความ ป, วาวาอออประสงค์ของพ่อและแม่พระจึงให้ลางใส่รถอ๋อกทางประตูสี ให้นำเข้าไปในป่าให้เจ้าหน้าที่ไปหลายคนโดยเ้าไปในป่าลึกเจ้าหน้าที่สันเกตเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ไม่ได้สนใจกับรถเมสนใจสเปเซอรนีได้ตอนนี้ใบเไม่แกล้งใบคือใบกันเลยฝางคนฝังแล้วขุดหลุงตั้งใจจะสังข่้มเป็นสำหรับพรเจอมีนั่งอยู่บนรถจะคิดว่าเวลานี้เขาจะฝังเราเขาคิดว่าเราเป็นคนใบ แต่เราก็จะยอมตายไม่ได้มันยังไม่ถึงเวลาจะตายพระยาใก็มันต้องตายอุณหภูมิตายอันนี้หน่อยถ้าคิดในใจว่ากําลังวังตายเราก็สามารถจะต่อสู้กัมมันดาทหารมั่นอย่างเราทั้งหลายได้หรือไม่ถ้าเขนจะมาจับเราเราจะหนีเขาจะมัดเราเราจะสมบัดให้หลุดมันจะไปไหวไหมเพรานั้นเถลยกําลังขุดหลุมเพื่ไปถ้าเขลุกขึ้นมาจับ จะไล่ทไมลุกไม่นั่ทั้งหมดหมายความ่พูดด้วยกั่ไม่ลุกด้วยทาเป็นคนง่อยเดือดทำเป็นคนเบ่าด้วยทำเป็นคนโง่เด้วยตอนนี้ก็มาซ้ามร่างกายลีกกะมาจจกรถกระหล่๊งเข้าเห็นว่ากำลังวังพามันยังดีอยูมากเพราะว่าโดเจ้าเวลาเขาถึงกรรมะบารมีกำลังสูงน่าคีว่าเอารถคันนี้อะไรจะควงไหวก็ไม่ไหด้บารมีเขาอมาส่งเลยจำใจก็จับงอนรถมาควงเล่น เนื่อคอควงของเบาไอ้พังควงก็เสียงดังสุดเจ้าทหารเรื่องหลายที่กำลังขุดหลุมแตกใจก่มันเสียงอะไรกันแน่ตัวกายกบแล้วเหลือก็มาเห็นว่าเจ้าเติมีใบกาลังควงรถเสียงชักโางจอดางเสียงวางทั้งหมดทั้งหมดจากโ่ก็เสีเหมอน่าดูไม่ดูพราะล็กีไหมดทั้งหมดท้งงายก็มเหลือตายแน่ใจเลยนี่ เรื่องความไหว้าก็เลยบอกว่าเธอจะฆาพรนโมยฉัไม่ใช่คนไม่แต่เพระว่าเธอไม่จับก็เลยจะถามทัานบอกท่านไม่จับท่านไม่อยากจะปกครองเรื่องไอ้ที่ไม่พูดจะไม่พูดฉันพูดไม่เต็นไอ้ที่เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนการล์อะไรภาพได้เขาข้าในใจก็จะบอกพวกนั้นว่าจมลกาศพระราชาจุลดาและพระราชมันดาว่าฉันไม่ไปฉันไม่จับะลยก็ยจะามต้องการจนหมดจะมีสิให้อาีของกลมจะมีสิ่งต่างแบบนั้น มันดายคนลูกนั้นก็เข้าไปใต้บ ร, ราคาตอนนั้นพระเจาจะมันร้องทห้เน็งแรงลูกที่ถึงลกูกทั้งพ่อทั้งแม่เขาดีขาวว้ลูกในใจก็ยกขบวนไปหาลกูกไปอ่อนวอนเขามาปกครองประเทศแต่ว่าสมเดพระบรมโลกประเท ศ, เทศก็ทงรงทอดเหรีทอดร้วามเป็นผู้ปกครอว่ามันไม่ดีเราริหามมาตั้อ ในทีสุดที่ลายตายก็ดีไม่าได้บรรพัยก็ดีบวดหมดเมื่อบวชแล้วก็ตาก็รับแมบ้านมาเดินไปกับเขาเห็นพ่อบ้านหายไปเห็น้านขงเขาเลยใจก็ตามไปอีกท่านก็ทรงเทศอีกคนนั้นก็บวชอีกอ้สุดบรรดากองัพตลางๆผลรากราชาของไปก็ติดตามไปเป็นจ้าตรงโดยเถรนาไปฟังพระธรรมเทศนาทุกคนกบวชี การกันบรรดาปชานเมืองนั้นนุ่มถึ่นพระราชาเข้าป่าทหารกขาป่าก็สงสารคเรียว่าพระเตมีเชือบใบไม่ใบพูดได้่ารพูดเรื่องจับใจคนก็เลยไปฟังมั่งเทาจบบทหมดดวงความเมืองนั้นร้างข้างเมืองจะมีพรรชาเมืองใกล้เคียงเห็นเมืองนี้มีความอุดมสมบูรณ์พเตยมีไม้สมบูว กษัตรยิย์ชายก็บวชทหารก็บวชถึงได้การยึดครองเป็นของไม่ยากยังได้ยกกําลังมาหวังจะยึดประเทศเพื่อสุนทรข้าไปดูแลมันไม่มีคนสักคนทราบถึงก็มากมายต้องส้างใจยึดประเทศเพราะว่าคิดว่าถ้าเราจะปล่อยว่าเจอมีแล้วก็สัวตวทั้งหลายแล้วมีส่วนตัวทหารแล้วไม่มีอยู่การยึดครองไปให้พวกเราจะมีความไม่เป็ น, นคงถ้าบุคคลพวกนั้นรวงพ ว, ง ว, วกคนกาลังมาตีเราก็เป็ของอัอเ องยกพัดไปหวังจะ ป, าปราบเจ้าเตมีและพระราชนิย์ได้หาทั้งหมดรายกดว่าพอไปถึงในที่นั้นฟังเทศเขาว่าเตมีเข้าบวชหมดอีกร่างอาวุธทั้ ง, งหมดยกรายกลจะเิ่นไปทั้งสองเมืงไม่มีคนเหลือห้อเจ้วความาอมีนองค์สนาผู้ผู้มีกระพ่ายจ่ายอนให้เขาบวชแต่ความจริงไม่ได้ตั้งใจเขบวดพอได้เห็นโทษของการมากรุกการครองเรือว่ามันมีโทษ ถ้าใจแล้วได้ความไม่ดีมีกับเราอย่างน้อยที่สุดเราก็ไปอบายภัยเรียบันดาทั้งพุะบันดาทั้งหลายโยมสมเด็จเจ้ามลายบริบาลศาสัญดาสมายท่านพระเจ้าแปลว่าสัพเพสัตตาไมร์สัมติกวรนันตังหชีตังเรื่องความไมสัตย์ท่้งหลายในโลกนี้เกิดมาเท่าไรตายหมดเท่านั้นและพูกเราก็จะต้องทำ ขมันราท่านหลายทจนาอว่าท่าจะตายต่ยังไม่เตมีทุดหลังนี้จะตายยังไม่เติมีทุดก่อนไมตมมีทุก่อนหรืองค์สมเด็จพระจนารวจรว่าเพราะอาศัยการทาบาปองค์สมมีการนาบิบาตเป็นต้นทาจนให้ลงเวทีมหานรเพราะในตอนหลังนี่พรองคตายแล้วก็จะเกิดเป็นทัานโดยิตเวลานี้ทาใดนี่องค์สมเด็จพระจุรวจนิยมสั่งสอนมา บรรดาจ้พบริสัทธังไรโดยที่านนายก็รู้จักกันทั้งหมดเชิทาน้ำใมกันแมือเสนดการให้ทานท่านตัวรู้ถือน้ำัหม่บนี้จะไม่กันจะมดูตานักษาเสียงท่าตัวรู้ภาวนาหม่บนนี้จะดูนเจริญภาวนาเัวรู้ได้ส่วนใหญ่รับคาสอนเป็นคาสอนองค์พระเดชพระรูปคูไม่รักษาการจุดมันุติ จึมโนยึดถือยมีผลหลายเรื่องสารเนอาจากไปเชื่อมพกต่งกางๆได้แล้วก็ยังมีสติสติญาณ เ, เห็นถือให็นดววันดาได้จดอุปปาติยานรู้การเกิดไปตางการตายแท้ๆเจตริยานสามารถเป็นแม่จุดขอเราจิตเขาเองมองเห็นได้ระดีโดยชั่วจุตเทวีวายาสามารถสิญญาสามารถละวิชาโดยไม่จำกัด ไอ้ที่ทางปัญญาโน้นเหตการอดนานนาก็ทางปัญญาโน้นเหตุการณ์นานคปบัทางญาการปจจุันแล้วยาย้ากมจายานรู้ผลนี้ความสุขและความทุกมาเพราะกรรมอะไรอุทายความรู้ทังหลายเ่ามีบรรดาธรรพุทุกอาสิทธิมุทุกางสิแล้วหากว่าท่อมีความเคารพในองค์สมเด็จพระชเียอย่างน้อยที่สุดก็ทำจิตทังคนให้ตรงว่ึ้นตั้งโซดาบันเป็นอย่างต่า เข้าไว้อย่างนี้ต่อไปแม้ก็จยตายท่กิจนี้เรามีความดีบริการมากจะปนิหานได้อาารรันตน์ธรรมพุทธเลนสักยงร้ายพอจะมาแสดงม า, งบบาธรรมเทสนา ม, มาก็ขึ้นเวลาสามสิบนาทีพอดีเขายึดติดไว้แต่เพีนเท่นี้ยในรู้สึกสบบธนมธรรมเทสนาเนี้อธรมาตาเป็นฐานะประสงส์ในโรงพระธรรมศาสนาขอจ้งขติยาิฐานอังคุนระีและตระหนร มีพระพุทธระต น, นะธรรมะลต น, นะและสังฆะต น, นะเป็นสามราการขอจงอภิบาลบนรรลุพุทริสุทธบ์ทัางหลายทุกท่านให้มีแต่ความสุขจวัดที่พระชนะมงคลสมบูรณ์นผ ล, ล, ลและจงเจริญไปด้วยจากสุรพิตรรไทยทั้งสีสร่ราาเมีอายุวันน้าจุ ข, ขาพระละและบฏตรทานหาทุกท่านมีความประสงค์เชงใดและคอยได้เนั้นด้วความปรารถนาน็นทุกการ อาจจะมาพาะรัปนี้สันนามานมารณาโลกสติปาชฌาก็ขอยติตัสระธรรมเทศนะเลี้ยงของไว้ก่เรื่งตรงนี้